และในขั้นสมาธิก็ะจะทำให้จิตสงบขึ้นจากกิเลสอย่างหยาบและจากกิเลสอย่างกลางมากขึ้นและเมื่อได้สติปัฏฐานในขั้นนี้ก็เป็นอันว่าเป็นการปฏิบัติที่จะทำให้จิตนี้ไม่ต้องเป็นทาตของตัณหา ไม่ต้องเป็นทาสของกิเลตฉะนั้นการปฏิบัติดังนี้ทุกคนจึงสามารถปฏิบัติได้ด้วยการที่หยุดดูจิตของตนนั่นเองหรือเมื่อกล่าวเป็นสติปัฏฐานทั้งสี่ก็คือหยุดดูธรรมะในจิตที่บังเกิดขึ้นดูตัวจิตเอง ดูเวทนาและดูกายพร้อมทั้งวาจาของตนซึ่งรวมอยู่ในข้อวักกายฉะนั้นเมื่อมีสติสติปัฏฐานตั้งสติขึ้นมาดังนี้จนสติตั้งขึ้นมาแล้วศีลก็จะมาสมาธิก็จะมาปัญญาก็จะมาโดยลำดับ และก็จะเลื้องตนจากความเป็นธาตุของตัณหาจากความเป็นธาตุของกิเลสได้โดยลำดับและก็เป็นสติปัฏฐานอันเป็นข้อที่พึงปฏิบัติได้ทั่วไปทุกการทุกเวลาเพราะว่าจิตนี้กับอารมณ์พึงมาประกอบกันทุกคนต้อง มีอยู่เป็นประจำฉะนั้นจึงต้องมีสติดังกล่าวนี้อยู่เป็นประจำให้เป็นสติเนปะกะคือสติเป็นเครื่องรักษาตนรักษาจิตใจก็จะทำให้สามารถรักษาตนไว้ไม่ให้เป็นทาตของตัณหาไม่ให้เป็นทาสของกิเลสได้ หรือว่าเป็นไปบ้างแล้วก็แก้ได้ในเมื่อมีสติที่เป็นสติพละสติที่เป็นกําลังซึ่งมาจากการหัดปฏิบัติได้เพียงพอต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสตดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจน อ, นอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสมาสมพุท ธ, ธิเจา้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณนะ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 ย่อมปฏิบัติได้ไม่ว่าจะเป็นสตรีบุรุษไม่ว่าจะเป็นครือขัดบรรพชิตไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่และในการปฏิบัติธรร ม, มนั้น ปฏิบัติให้รู้จักศีลให้รู้จักสมาธิให้รู้จักปัญญาก็ให้รู้จักที่จิตนี้เองเมื่อจิตเป็นศีล ก็จะรู้จักศีลที่จิตเมื่อจิตเป็นสมาธิก็รู้จักสมาธิที่จิตเมื่อจิตเป็นปัญญาก็รู้จักปัญญาที่จิตและก็จะรู้จักผลของการปฏิบัติ อันเป็นความว่างอันเป็นความสงบหรือเรียกเชื่ออย่างอื่นว่าเป็นความหลุดพ้นเป็นต้นซึ่งล้วนมีสับแสง และเมื่อใช้สับแสงหากไม่เข้าใจก็จะทำให้ฟันเฟือแต่ถ้าเข้าใจก็จะทำให้เข้าถึงความหมายด้วยสับแสงที่เป็นคำสั้นๆ อันความหลุดพ้นเมื่อใช้สับแสงก็เรียกว่าวิมุตต์หรือเรียกว่านิพพานอันความสงบก็เรียกว่าสันติหรือสมถะอันความว่างก็เรียกว่าสุญญาตา เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมะในพุทธศาสนาเมื่อรู้จักผลเหล่านี้แม้เพียงเล็กน้อยคือรู้จักความว่างรู้จักความสงบรู้จักความหลุดพ้นแม้เพียงเล็กน้อย ก็จะทำให้เข้าใจพุทธศาสนาได้ดีขึ้นได้รู้จักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระรัตนตรัยนี้ได้ดีขึ้นได้ถูกต้องขึ้นดังจะยกขึ้นมากล่าวสักคำหนึ่ง คือคาว่าความว่างเรียกตามศัพวพะสนยญตาที่แปลว่าความว่างอันความว่างนั้นก็เป็นคําที่พูดกันอยู่และก็พูดกันทั้งในด้านที่ดี และทั้งในด้านที่ไม่ดีว่าถึงในด้านที่ไม่ดีก็ดังคำว่าว่างการว่างงานไม่มีอะไรทำายู่ว่างๆก็ทำให้ ขาดประโยชน์ที่จะพึงได้และทำให้จิตใจกลัดกลุ้มดังเช่นเมื่อเคยทำการทำงานต่างๆอยู่เป็นประจำเมื่อมาว่างงานไม่ทำอะไร เป็นเหมือนอยู่เฉยๆก็ทำให้กระดกลมและสำหรับภูที่ต้องการประโยชน์จากการงานเมื่อว่างงานก็แปลว่าขาดประโยชน์ก็ทำให้เกิดความขัดข้อง ต่างๆในการดำรงชีวิตเหล่านี้เป็นความว่างที่ใช้ในทางที่ว่าไม่ดีแต่อีกอย่างหนึง่งความว่างที่ใช้ในทางดีก็คือความว่าง โดยที่ได้พักผ่อนเมื่อต้องการความพักผ่อนและเมื่อได้โอกาสซึ่งเป็นความว่างได้พักผ่อนก็ทำให้บังเกิดความพาสุกในทางพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้า ตรัสสอนให้รู้จักให้รู้จักสุญญตาคือความว่างมุ่งถึงความว่างกิเลสและว่างทุกข์ซึ่งเกิดจากกิเลสว่างบาปอากุศลทุจริต ก็เป็นการว่างจากความทุกข์เพราะเกิดจากบาปอากุศลทุจริตในการปฏิบัติธรรมะนั้นต้องการผลคือความว่างกิเลสว่างบาปอากุศลทุจริตและว่างความทุกข์ที่เกิดเพราะกิเลสและบาปอากุศลทุจริตต่าง เพราะฉะนั้นจึงต้องเข้าใจความว่างดังที่กล่าวมานี้การปฏิบัติธรรมะนั้น <c oughs> การเข้ามาบ <c oughs> วชก็เป็นการเข้ามาปฏิบัติหรือแม้แม้การไม่เข้ามาบวชแต่ว่าการที่ มาสมาทานศีลฟังธรรมก็เป็นการปฏิบัติธรรมะหรือแม้การที่ตั้งใจปฏิบัติด้วยตัวเองในศีลในสมาธิในปัญญาก็เป็นการปฏิบัติธรรมะก็มุ่งผลให้ จิตนี้ว่างกิเลสและความทุกข์ที่เกิดเพราะกิเลสว่างบาปอกุศลทุจริตทั้งหลายและบ้างว่างความทุกข์อันเป็นผลของบาปอกุศลทุจริตทั้งหลายให้จิตนี้มีความว่างดังกล่าวนี้ เรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็ให้กายวาจานี้ใจนี้เองว่างจากบาปอกุศลทุจริตทั้งหลายความว่างดังกล่าวนี้แหละก็เป็นความสงบและก็เป็นความพ้นสงบก็คือสงบอิเลสโลภกรดหลง สงบบาปอกุศลทุจริตต่างๆทางกายทางวาจาทางใจและก็เป็นความหลุดพ้นคือว่าหลุดพ้นจากบาปอกุศลทุจริตต่างๆตลอดจนถึงหลุดพ้นจากกิเลสต่างๆกองโลกกองโกรธกองหลงอาพ้นได้ชั่วคราวหรือว่าความพ้นได้ นานๆนี้ตลอดไปก็ตามก็เป็นความหลุดพ้นทางนั้นแล้วก็เป็นความสงบทางนั้นและอันนี้เองก็เป็นความว่างแต่จิตใจของบุคคลทั่วไปนั้นมีความไม่ว่างประจำอยู่ ก็คือมีนันทิคือความเพลินมีราคะคือความติดใจยินดีมีตัณหาคือความริ่นรนทยานอยากของใจอยู่เป็นประจำ เรียกว่าอาลัยเรียกว่ากังวลบ้างเรียกว่ากามฉันความพอใจรักใครอยู่ในกาม คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายรู้ด้วยอำนาจกิเลสกรรมมีอยู่เป็นประจำจิตย่อมอยู่ในอะไรอาศัยอยู่กับอะไรดังกล่าวนี้อะไรดังกล่าวนี้ จึงเหมือนอย่างเป็นบ้านของจิตท่านจึงเปรียบเหมือนอย่างว่าอะไรคือน้ำเป็นที่อาศัยอยู่เป็นที่อาศัยอยู่ของปลาฉะนั้นเพราะฉะนั้นจิตนี้จึงไม่ว่างอยู่โดยปกติและเมื่อ ปล่อยให้จิตนี้ท่องเที่ยวไปในอะไรอันเป็นที่อยู่อันเรียกว่ากามคุณหรือเรียกว่ากามฉันก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อน แม้ว่าจะต้องมีความทุกมาสลับกับความสุขเป็นครั้งเป็นคราวก็อยู่ได้เพราะอำนาจของความเพลิดเพลินและความติดอยู่ลักษณะของจิตสามัญทั่วไป ย่อมเป็นไปอยู่ดังนี้และการที่ได้ปฏิบัติจะทำต่างๆไปตามวิสัยของกิเลสดังกล่าวหรือของอะไรดังกล่าว จึงทำให้รู้สึกเพลิเพลินไปไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่เมื่อต้องมาอยู่กับความว่างแม้ในบางครั้งบางคราว การหมายความว่าไม่ขนขวายจัดทาทางกายทางวาจาทางใจไปตามอำนาจของกิเลสหรืออะไรดังกล่าวนั้น ก็จะรู้สึกเหมือนอย่างว่างเหมือนอย่างการที่มานั่งทำความสงบก็ดีนั่งฟังอบรมหรือฟังเทศก็ดีหรือการเข้ามาบท ก็ดีซึ่งเป็นการหยุดพักจากการวิ่งเต้นขนขวาวไปต่างๆตามอำนาจของอะไรหรืออำนาจของกิเลสก็ทำให้รู้สึกเหมือนอย่างว่าว่างและทำให้เกิดความรำคาญหรือความรินรนไป เพื่อที่จะได้ปฏิบัติจัดทาเหมือนอย่างที่ได้ทำตามประปะติยังทำให้เข้าใจว่าความว่างทำให้เดือดร้อนแต่อันที่จริงนั้นเมื่อศึกษาดูให้ดี กำหนดดูให้ดีที่จิตแล้วจึงจะเข้าใจว่าอันที่จริงไม่ว่างเพราะจิตนี้ยังมีนันที่ความเพลิดเพลินราคะความติดใจยินดีไปด้วยกันอยู่กับตัญหาความดิ้นรนทยานอยากในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลาย อยู่เป็นประจำและเมื่อต้องมาหยุดแม้ในขณะที่มานั่งสมาธินี้ก็ต้องมาหยุดจิตไม่ให้คิดไปในอารมณ์เรื่องทั้งหลายตามใครตามปรารถนาก็ทำให้รู้สึกอึดอัดรำคาญไม่สบาย ก็ทำให้เข้าใจว่าเพราะว่างเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมะจึงต้องขัดกำหนดจิตให้รู้จักว่าอันที่จริงเป็นความไม่ว่างจิตยังไม่ว่างจิตยังมีนันทีความเพลินราคะความติดใจยินดีไปด้วยกันอยู่กับตันหาความดินรนทยานอยาก จึงทำให้ยินดีเพลิดเพลินยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกในอารมณ์คือเรื่องนั้นๆโดยไม่หยุดเพราะฉะนั้นจึงต้องทางความรู้จักว่าอันที่จริงไม่ว่างยังไม่เป็นความว่างการที่จะเป็นความว่างนั้น ต้องหัดกำหนดให้รู้จักความสงบกายสมบวาจาสงบใจซึ่งเป็นศีนไม่ดิ้นรนไปเพื่อที่จะประพฤต์กอภัยกอเวรต่างๆจิตพร้อมทั้งกายทั้งวาจา สงบเรียบร้อยดังนี้ก็เป็นสีนตัวสีนนี่แหละเป็นความว่างว่างจากภัยว่างจากเวรทั้งหลายไม่ก่อภัยไม่ก่อเวรอะไรอะไรขึ้นทางกายวาจาพร้อมทั้งทางใจคือใจก็ไม่คิดที่จะไป ก็ภัยก็เวรแกใครไปทำร้ายบีดเบียนใครกายวาจา ก, ก็ไม่ไปประพฤติกระทำร้รายใครเบีดเบียนใครก็ว่างจากภัยจากเวรทั้งหลายใจที่ว่างดังนี้กายวาจาที่ว่างดังนี้เป็นศีมจิตก็เหมือนกัน เมื่อจิตสงบได้จากความคิดฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ตามใครตามปรารถนาต่างๆมาตั้งมั่นอยู่ในกิตที่ควรทำต่างๆตลอดจนถึงมีความสงบอยู่ในภายในไม่ฟุ้งซ่านออกไป ความสงบจิตดังนี้ก็เป็นสมาธิและปัญญาคือตัวความรู้ความรู้ที่รู้จักศีลตามเป็นจริงรู้จักสมาธิตามเป็นจริงตลอดจนถึงรู้จักตัวความว่างว่าความว่างที่เป็นความว่างจริงนั้นต้องว่างจาก ความเพลิดเพลินความติดใจห ย, ยินดีที่ไปกับตันหาความดิ้นนนขยานอยากดังนี้ก็เป็นปัญญาคือรู้จักสัจจะคือความจริงที่กายวาจาใจของตัวเองดังนี้ก็เป็นปัญญา จิตที่เป็นศีลเป็นสมนาธิเป็นปัญญานี้เองก็เป็นตัวความว่างซึ่งเป็นตัวผลเป็นความสงบที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปและเป็นความรู้ที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงจะรู้จักธรรมะรู้จักพุทธศาสนา เมื่อรู้จักธรรมะรู้จักพุทธศาสนาดัางนี้แม้น้อยหนึ่งก็เป็นประโยชน์มากเพราะได้รู้จักของจริงของแท้แ่ะพุทธศาสนาที่จริงที่แท้นั้นเป็นอย่างนี้และจะทำให้รู้จกักรูทางที่จะปฏิบัติให้พบกับความว่าง ให้พบกับความสงบให้พบกับความหลุดพ้นของตนยิ่งยิ่งขึ้นไปได้พระบรมศ า, ศาสดาผู้ทรงรู้ทรงเห็นได้ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนก็เพื่อให้ผู้ปฏิบัติทุกคนได้รู้ได้เห็น สัจจะคือความจริงนี้ที่ตนเองของทุกๆคนไม่ใช่ที่อื่นแม้ที่ทรงแสดงสติปัฏฐานทั้งสี่ตั้งสติกำหนดดูกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นการดูให้รู้เข้ามาในการที่จะปฏิบัติ อาศัยเกยกายเวทนาจิตธรรมนี้เองให้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาและให้พบกับความว่างให้สงบให้พบกับความหลุดพ้นไม่ใช่อย่างอื่นและก็ทรงจำแนกแจกธรรมก็คือตรัสสอนให้ผู้ฟังรู้จักจำแนก ทางปฏิบัติออกไปเป็นกายเป็นเวทนาจิตธรรมดูให้รู้จักกายรู้จักเวทนารู้จักจิตรู้จักธรรมดังที่ด้อธิบายมาแล้วและโดยเฉพาะในข้อที่เกี่ยวกับธรรมะนั้นก็ได้ทรงสรุปเข้า ในสัจจะคือความจริง